อ, อีกอย่างหนึ่งนะครับอันนี้กลับมาในเงินทองนะในเกี่ยวกับการบริโภคนิจจบก็คือกลัมาในเงินทองเนี่ยท่านบอกว่านะครับบุคคลผู้คล้ายในบุญทั้งหลายมีนามสนงของพระราชาเป็นต้นถวายเงินและทองใส่ไว้ในพักอ้านะครับก็เอาเงินทองซุกไว้น ะ, ะแล้วก็มาถวายกับอาหาร น, นะครับของควรเคี้ยวมินา น, นะีนักการในสมัยนั้นนะครับของของและกําญาเป็นต้น ถวายแผ่นผ้าเล็กๆนะครับรวมกับการะหังปะหน้าที่ขอดไว้ที่ชายผ้าเป็นต้นนั่นแหละครับออกไปขอไว้ที่ผ้านะถ้าไม่เห็นนะครับคนจะเอาผ้ามาพันมาอะไรไม่ได้นะครับผ้าไม่เห็นเลยเแก่ที่สูดทั้งหลายผู้ที่เรียกมีนาบ้าผ้าอ้อถ้าอาหารก็ใส่กระหอาหารถ้าถวายผ้าก็ใส่กับผ้านะครับที่สูดทั้งหลายรับเอาด้วยสําคัญว่าเป็นผ้าตาหารเป็นต้นหรือสําคัญว่าเป็นผ้า พิสูจน์นี้เพิ่งทราบว่าผู้มีความสําคัญในรูปยะว่าไม่ใช่รูปยะแลับเอารูปยะเรื่องการอย่างนี้นะครับก็ไปดาวบัตเหมือนกันก็ไม่พ้นแต่พิสูจน์ผู้รับนะครับพึ่กงกาหนดให้ดีว่าวัตถุนี้เราได้ในเรือนหลังไหนหรือว่าไปรับมาเนี่ยมีโยเขาใส่เงินมาในบัทด้วยเีาต้องบอกว่า <c oughs> กาหนดให้ดีนะว่าได้มาจากในเรือหลังไหนใครใส่มาให้เรา เพราะว่าผู้ที่ถวายของโดยไม่มีสตินะครับน่าสติแล้วจะกลับมาทวงค่าก็มีเหมือนกันนะบางคนค่าอาจจะเผลอใส่เงินไปในบาปผ้านะครับถ้าเราไม่รู้ว่าเขาตั้งใจจริงนะข้าจะเผยก็ได้นะครับถ้าเป็นอย่างนั้นก็อสมมติว่าเป็นเป็ดอะไรนะไม่ไม่เป็นนะเขาเขาไม่ตั้งใจใน่ทราบจริงๆนะครับเขาถือว่าเป็นบุญนั่นนั้น แล้วก็ถามลําดับนั้นพี่สุพึงบอกว่าก็กลับไป้างขาครับหรือว่าส่งข่าวนะเอ้ยโยกเราขับไปบอกเลย <g ül> หรือว่ายายจะไปบอกก็ได้นะพึงบอกเขาว่าท่านจงตัวดูห่อผ้าของท่านอย่าง น, นี้ครับตรง น, นี้นาดีการจะอธิบายว่าถ้านคนที่เขาเขอสติอันมณ์นร้อมใส่ไปเข้าไปในบาดผ้าครับและผ้ารับมาไม่เชื่อไปอันรับนะไม่ต้องลำบากที่จะเทียบไปที พวกของในท้อไม่ได้ถวายนะครับที่เดียวเขาเขินใส่เข้าไปในปากเฉยๆท่านก็จะไม่มีการต้องอา่านบัญนะครับก็ต้องสมมติให้ดีว่าใครสามารถให้เราใช่ไหมแล้วก็เอาไปคืนเขาหรือว่าบอกนะเนี่ยหรือว่ า, ามันคืนมาก็เห็นเนี่ยตอนขนานแดงกลับเนี่ยไม่ทันกลับมาท่านก็เดินมาอ้าวมีเงินหนึ่งเราก็กลับไปหาเขาอะไรเขาเนี่ยโยมจ้องตรวจดูห่อผ้านของโยมนะลองดูนยโยมมีอะไรมันมีเงินอยู่ในโยม ทำไมไม่รับเงินแต่ถ้าบอกว่าอย่าบอกว่านะยอมจะเอาเงินนี้ออกไปหีิตเองินขอยกกลับคืนไปไม่พูดอย่างนี้ครับแต่บางกันนะไม่พูดอะไรให้ถือแบบหนักอะไนี้ให้มีการจะบอกอยนี้บอกเลยว่าเนี่ยให้ตรวจดูนะยอมมีเงินทองนะครับเงินทองก็จะรู้ข้อจ่ออะไรแต่ว่าถ้าเข้ามาถวายถังกระานี่เนี่ยมันหาตู้ไม่ได้หรอกใครเป็นใครหรือว่าเราต้องรู้ว่าเขาไม่ได้เผอเนี่ยนอน ใส่ไปอย่างดีใช่ไหมครับไม่ได้เผลอแต่ความมีค่าถ้าเราเห็นอยู่ตรงนั้นนะแล้วก็คืนกลัออกไปใช่ไหมครับแต่ถ้ามันกลับมาถึงว่างแย้งอย่างนี้เนะี่ยบางทีเราจะ ร, รู้ว่าเขาไม่ได้เผลอหรอกคนสมัยนี้ใช่ไหรับใหเรารูนะเราก็ไม่กลับไปก็ไม่เป็นอะไรนะครับแต่ถ้าเขาถ้าตั้งใจถวายเราเลยนะให้เราเล่าเนี่ยเราเป็นอาบัติแน่นอนใช่ครับถ้าเขาใส่ด้วความพลั ง, งเผลอไม่ได้ตั้งใจถวายเนี่ยที่สุดไม่ต้องอาบัตินะ พวกขอเขาไม่ถวายนะครับแต่ถ้าเขาตั้งใจถวายแล้วก็เราก็เล่ลเลยอันนี้เป็นอาบันนะครับแล้วก็มาทำวินัยกรรมไไมากระทำการสออะไรไปตานี้ะครับนี่น ะ, ะนะีนะนะ่ก็ถือว่าจ็จแล้วก็มาแล้วใ้ออกออางนี้ไม่ออกแล้วกนแสดงว่าแกตั้งใจถวายแล้วะครับ แล้วก็ต้องอาบไปแล้วแล้วก็มาสระที่วานก็ได้า็ไดนะมาสระที่วัดก็ได้ยังไงนะอ๋อครับก็ไม่มีแบนครับไม่มแบนครับอะไรต้องใช้ผ้าใช้อะไรับนะแล้วก็ใส่แต่ว่าถ้ากลับมาที่ว่าจะดีกว่านะครับจ้ผาก็จะจะเล่าไม่ได้ เชฟฟางจะทำไม่น่าโอ้ยทิ้งกันสองหน้า่องตาเลยอันนี้เสร็จแล้วเะครับตอนนีต่อไปก็จะขึ้นข้อสอบฝ่าย้ชื่อว่าเป็นการเรียนทำกับอาชีพราเรียนทำอะไรกันครับเขาก็คือทำเรียนทำกับอาชีพเราและก็ทาลงบนสดร่วมกันครับ ทำสารกําต่างๆรวมกันครับแล้วก็อะไรอีกเอาล็กของเข้ามาฉันมาใช้ครับเข้ครับเป็นถือที่สายอะไรอีกบ้ารับไม่ได้ไม่ได้ทานอาหารในรเดียวกันเป็นไอ๋อไม่เป็นไรครับถ้าเป็นอาหารของเราเองครับหรือว่าอาหารที่เขาถวายสงไม่เป็นไรครับช้อนป้าเาถวายสงเราไปงานแต่อย่างนี้ช่ไหมครับ ครับอันนั้เป็นไรครับไม่ได้ชื่อว่าบริโภคร่วงในที่นี้นะครับครับไม่เป็นไรครับ ไ, ได้ไหมครับได้แต่ความจริงก็อาละชีก็มีหลายระดับนะบางระดับก็เหมือนกับว่าพอคุยกันได้แต่บางระดับนี่โอ้ลําบากมากก็จไม่ได้เออไม่ได้ในคุณไม่นนได้ในก็ต้องก็ต้องแบบหลิเมี่ยนะดูดู ด, ดูดูหน่อยนะครับอย่ายไปยกย่องหรืออะไรเขานะ มวนก็จะเป็นใหญ่เป็นเจ้าเป็นอะไรนะบางทีเขาแบบพอคู่กับเสียหายมครับที่ว่าอะไรดูหนังเองเป็นแจงเขาบอกที่วัดนั้นวัด่น่องเอถ้าวัดดูหนักเองถ้าในวันะเขาคอดีเพื่อนแจงเข้าไปบวชที่นั่นหลยครับที่เข้าไปบวชนะครับก็ไล่เจ็บเขาอ๋อเอง่าคาพี่มบวชน่าใหม่เขาไม่แ่งใจข่าใหม่เนี้ย มันไม่แอบมันเปิดแล้วเปิดทำใหเกิดกเข้าวเยอะขึ้ยตั้งห้องกแรงนี่ครันเืองนี้อีตครับเนี่ยว่าปวดน้ำปวดน้ำแล้ก็แล้ก็ผู้ว่นแบบผีลูกบาทีเนี่ยเขาลบากเนี่ยนเจออย่างนี้นะน่าจะหนะผมมาเจอผมผมรู้สึกมันตกหนางกันหรือว่าท่าหรือว่าท่าเขาก็แบบไม่ถึงขนาดนี้นะครับ แล้วก็ส่งเส ร, รเิมเราเต็มที่นะและที่นี่เนี่ยเมื่อก่อนเราเคยไปกันนะครับแล้วก็เข้ากระเค็ของไม่ถูกต้องแล้วเราไ ป, ประเค็ใหม่เขาไม่พอใจะครับไม่เนี่ยจะว่าบ้นนี้หว่าอีกบ้านหนึ่งนะเขาไม่พอใจแล้วเขาก็ว่าอะไรนั่นยังไงนะเกี่ยวกับผมกีวอร์อะไรอย่างเงี้ยนะครับว่าผมกีวอรไม่ดีหรือพลาดไฟเรามานี่นะเขาไม่พอใจเขาว่าอะไรครับอนันนะี <S <S <m> ้คร <m> ับเขาว่าอะไรครับอ <h> ั <caps> <ใ>นนี้อันนี้ไม่ไหวนะครับถึงติดว่าหนักนะ แล้วมันก็มีอะหรัอลผมจะไม่คงคิไม่สูงสีไม่อะไรเลยถ้าเป็นลักษณะนี้นะไม่ ดีนะคร <Okay. S 1> ับปั่กเขา้เขามาง น, น้า165นะครับข้อที่19